เราคอยฝึกของเราไปทุกวันทุกวันคอยดูกายดูใจทุกวันทุกวันฝึกไปถึงช่วงหนึ่งนะเราจะอยู่กับโลกแบบทุกน้อยจิตใจที่มันมีความทุกข์นะเพราะมันไม่ยอมรับสภาพความจริงที่กำลังปรากฏเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเนี่ยต้องผิดหวังบ้างสมหวังบ้างอะไรอย่างี้ นี่เป็นความธรรมดาของชีวิตมีลาบบ้างเสื่อมลาบบ้างมียศบ้างเสื่อมยศมีคนชมก็มีคนด่ามีความสุขแล้วก็มีความทุกข์นี่เรียกว่าโล ก, กธรรมคือความจริงของโลกอยู่กับโลกนีไม่พ้นความจริงเหล่านี้คนที่ไม่ยอมรับความจริงของโลกก็มีความทุกข์เช่นอยากเ็นได้รับแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะ วันหนึ่งสูญเสียยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์อยากให้คนชมอย่างเดียวพอคนเขาไม่ชมก็ทุกข์ทันั้นเราฝึกนะฝึกใจของเราไม่ใช่ฝึกให้ทนกิเลสแต่ฝึกให้เกิดปัญญาตามรู้ลงไปนะเราจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็รู้ทันก็จะเห็นเลยมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย ความทุกมานะแล้วก็รู้ทันก็เห็นไปอยู่ชั่วคราวมันก็หายความโลภความโกรธความหลงปีติสุขเรืออะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เราฝึกเพื่อให้จิตเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ำอีกพอจิตเห็นความจริงตรงนี้มากเข้ามากเข้า ว, วันหนึ่งจิตยอมรับทุกอย่างมันชั่วคราวความสุข ก, ก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราว เมื่อใจยอมรับความจริงแล้วพอมันไปกระทบกับความเป็นธรรมดาของโลกมีลาบแล้วเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยศมีสารเสริญแล้วมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์อนะไรนี้แปดประการนี้เป็นธรรมดาของโลกเป็นความจริงของโลกคนซึ่ไม่เคยฝึกจิตฝึกใจก็ยอมรับธรรมดาไม่ได้อย่างเวลามีสุขก็อยากให้อยู่นานๆมีทุกข์ก็อยากให้อยู่สั้นๆอยากให้มีแต่คนชมน ไม่อยากให้มีคนว่าอะไรอยากจะมีตำแหน่งถาวรไม่มีใครมีตำแหน่งถาวรในอดีตมีจักรพรรดิของโลกที่ดังๆในโลกมันก็ไม่ถาวรสักคนเจงกิสขานมันก็ไม่ถาวร น, นโปเลียนก็ไม่ถาวร อ, อเล็กซานเดอร์เนี่ยผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนะไม่เห็นมีใครถาวรเลย ยิ่งอยากถาวรมากๆแลนะยิ่งถาวร น, น้อยอย่างจินสีห้องเต้พอนะตัวเองตายแล้วก็สิ้นราชวงศ์คนมันยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ของเราตามรู้จิตรู้ใจตัวเองเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปจิตยอมรับได้มีผลประโยชน์มากหรือว่าสูญเสียผลประโยชน์มันก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างมาแล้วก็ไปมีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดมันก็เรื่องธรรมดานะ มีชื่อเสียงแล้วก็เสียชื่อเสียงมีตำแหน่งแล้วเสียตำแหน่งเรื่องธรรมดาถ้าเห็นว่าเป็นธรรมดาได้ด้วยปัญญาก็ไม่ทุกข์แลไ้ไม่ใช่การโปรโกแกรมจิตบังคับจิตให้เชื่อแต่เป็นการเอาความจริงมาป้อนให้จิตดูทุกวันทุกวันเลยเห็นไหมทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้เนี่ยเกิดแล้วดับหมดเลยโดยอย่างเนี้ซ้าแล้วซ้าอีกจิตยอมรับความจริงได้ความทุกข์จะหายไปเยอะเลยคนที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานั่นคือพระโสดาบัน พระโสดาบันความทุกข์จะหายไปเยอะนะเที่เบกับคนในโลกนะความทุกข์จะลดกว่ากันเยอะแต่ว่ายังมีความทุกข์ได้อีกบางทีเรื่องที่รุนแรงก็ทําให้ใจกวัดแหว่งได้ภาว น, ะนาไปมากเข้ามากเข้าต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจก็ไม่กวัดแหวงนะ่งใจมีสันติสุขอยู่ในตัวเองภาวนาสุดขีดไปนะใจมีสันติสุขสันติคือนิพพานคือความสงบสงบจากกิเลส สงบจากความปรุงแตง่งสงบจากขันสงบจากทุกนะจิตใจสงบสงบจากขันได้ยังไงยังมีขันอยู่จิตมันพลากจากขันจิตแยกจากขันอย่างที่พวกเราภาวนาเรารู้สึกไหมบางทีจิตก็วางกายออกไปกายอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากเวทนาอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากแต่นี่วางชั่วคราวนะถ้าเป็นพระอรหันต์วางแล้ววางเลยไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้วแยกออกไปเลยขันส่วนขานจิตส่วนจิตไม่เกี่ยวข้อง ขันก็เป็นทุกโดยหน้าที่ของขันไปจิตก็พ้นทุกจิตไม่มันไม่เกี่ยวข้องกับขันอยู่ที่เราฝึกนะพวกเราไม่ใช่โปรแกรมจิตไม่ใช่สะกดจิตแต่เป็นการเอาความจริงมาให้จิตดูจนจิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวดูไปเรื่อยๆต่อไปพอเจอความชั่วคราวของโลกมันเป็นธรรมดาของโลกที่มันทุกอย่างชั่วคราวจิตไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่หวั่นไหวเป็นมงคลนั้นยิ่งนะในมงคล38มิบแปีอยู่ข้องจิตไม่หวั่นไหวนะค่อยฝึกเอาใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ยุติธทําที่สุดละนะกฎแห่งกรรมใครทําก็ได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะทําชั่วก็ได้รับผลชั่วทําดีได้รับผลดีทําสมถาก็ได้รับผลของสมถะทํำมิปัสนาก็ได้ผลของมิปัสนาคือได้ปัญญา เห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของชีวิตเห็นความจริงของโลกพอความจริงใดๆเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวใจพ้นโลกมีความสุขอะต่อไปตรวจกันบ้านเป็นชั่วโมงที่น่าเบื่อหนะเบื่อสำหรับหลวงพ่อนะเหนื่อยเข้าไส้เลยเรื่องกลับมาสการค่ะหลวงพ่อถามหลวงพ่อสามข้อค่ะเออ ข้อแรกค่ะอยากทราบว่าตั้งตั้งแต่มาอยู่วัดวันแรกจนกระทั่งวันนี้ค่ะไม่ทราบว่าก้าวหน้าขึ้นบ้างหรือยังนะคะือจะให้ก้าวไปไหน <c oughs> เห็นความจริงบาง้างไหมล่ะว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวอะ่ะถ้าเห็นก็เรียกว่าก้าวหน้าเลยเพราะว่ามาวันแรกจะซึมมากแล้วก็วันต่อๆมาก็รู้สึกว่าตัวเองก็ดีขึ้นนะคะก้าวหน้าใช่ไหมคะพัฒนาขึ้นใช่ไหมคะพัฒนาสิอยู่วัดทั้งทีแล้วดอยพัฒนาเขาแย่สิไปฝึกอีกนะค่ะ แล้วก็ข้อที่สองะคะคือคือที่ทำอยู่อะคะ่ะวิหารธรรมที่ทําอยู่เนี่ยคะ่ะทั้งทั้งเดินจงกรมในสมาธิคือทําทั้งสามแบบทาไปเลยทไนะส ม, าม่าเสมอสำคัญเอาข้อสข้อสก็คือว่าเดี๋ยวจะต้องออกจากวัดกลับไปอยู่บ้านแล้วอะคะ่ะก็อยากจะให้หลวงพ่อชี้แนะอะคะ่ะว่าจะต้อง อยู่บ้านหรืออยู่วัดนะก็มีกายกับใจหน้าที่ต่อกายกัใจก็คือการตามรู้ไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแหละแต่อยู่วัดมันไม่มีภาระเครื่องรุกรังทางใจเราก็มีเวลาดูเยอะหน่อยอยู่กับโลกเวลาดูมันก็น้อยลงนะแต่เรามาอยู่วัดมาเรียนรู้หลักของการดูแลกลับไปอยู่กับบ้านก็ดูเอาหลวงพ่อภาวนาเป็นตั้งแต่เป็นโยมนะ งั้โยมก็ทําได้ไม่ใช่ต้องรอมาอยู่วัดถุ่ยก็ทำได้แร้วไปไปทาเอานะไปอย่าขี้เกียจเยอะเลยอย่ามีข้ออ้างเยอะนะวันนี้อย่างโน้นวันนั้นนี้ไม่ไม่ภาวนาไม่ได้นะภาคเพียนเข้าเพื่อความพ้นทุกข์โยมก็คงแย่เลยเจ้าค่ะเพราะว่าต่างกันกันกบเขาเลยเจ้าค่ะ ม, มาวันแรกนี่สบายสบายเพราคิดว่าเหลืออีกตั้งหลายวันเนี้ยค่ะแต่พอเมื่อวานนี้ค่ะคิดว่าเวลาเหลือน้อยก็เลย รีบใหญ่เลยค่ะเจ้าค่ะก็เลยจิตมันก็ฟุ้งซ่านค่ะแล้วนะพอคิดว่าอยู่วัดเนี่ยค่ะไม่เหมือนตอนอยู่บ้านอยู่บ้านทาสบายๆค่ะแต่พออยู่วัดคิดว่าต้องมาปฏิบัติก็เลยหลวงพ่อก็บอกแต่วันแรกๆแล้วนะอยู่วัดอยู่บ้านพอนาเหมือนกันแหละแต่ว่ามาวัดใหม่ๆวันแรกๆส่วนมากมันฟุง้งนี่ของคุณมันแรกๆไม่ฟุ้งเพรเพ่งอาไ นะวันนี้ไม่เพ่งก็ฟุง้งดีขึ้นนะไม่ใช่เหลวลงเจ้าค่ะถือว่าเป็นกำลังใจเจ้าค่ะกราบหลวงพ่อตั้งแต่อยู่ที่กรอยู่ที่การบุรีเจ้าค่ะแล้วก็ตะกอนเพ่งลมแล้วก็หันมาแนวหลวงพ่อเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ทาไปเรื่อยๆก็นานๆถึงจะมาส่งกันบ้านส่งล่าสุดก็ ชีวิต เ, เป็นยังไงขณะนี้เอาปัจจุบันอดีตไม่เอาแล้วก็ปัจจุบันก็เห็นว่าความอยากนี่ยังยังครอบงำอยู่พ่อน่าดีขึ้นนะใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมากขึ้นละ <c oughs> หน้าที่ของเราถัดจากนี้ไปก็คือตามดูมันไป <c oughs> ตามดูไม่ไปจ้องให้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ไปฝึกเรานะดีขึ้นแล้วละเอาต่อไป เบอร์91เชิญทางนี้เชิญนักศการหลวงพ่อค่ะคออือครั้งนี้เป็นครั้งแรกกันนะคะแล้วก็เดิมเนี่ยเคยไปฝึกปฏิบัติเป็นแบบฝึกท้องพองยุบอะค่ะแต่ว่าก็คิดว่าไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะว่าพอเวลาฝึกเนี่ยก็จะแบบเหมือนมันปิดสวิตเป็นเลยไม่รู้ตัวไม่คือไม่รู้สึกอะไรเลยอะคะ่ะอย่างนั้นไม่ดี ก็เลยคิดว่าคงจะไม่ถูกทางกค่ะแล้วพอมาฟังซีดีหลวงพ่อค่ะก็ก็เลยเริ่มเริ่มกลับมาหัดใหม่ตอนนี้ก็เริ่มพอจะตามรู้ได้ว่าเวลาเผออะค่ะแต่ก็ไม่บ่อยมากเลยอยากทราบว่าตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันโปร่งโล่งเบาเวลากิเลสที่แรงแรงมานะสติระลึกได้เองแล้วเนี่ยฝึกไป กลัไปกระทั่งกิเลสละเอียดมาก็รู้เองเห็นไม่ทุกอย่างมาเองทุกอย่างไปเองทุกอย่างเกิดแล้วดับเปัญยญาอยู่ตรงที่เห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปทุกอย่างเกิดแล้วดับนะไปฝึกเอาแล้วต้องมีวิหารธรรมเป็นอย่างคือเราเคยดูท้องพองยุบเราก็ดูเล่นได้แต่ไม่ไปเพ่งเมื่อก่อนทําผิดตรงไปเพ่งมันอะ หรือถ้าเป็นพุโทโธแบบแต่เดินดอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้นะเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยควรจะมีไว ค, คนละอย่างมีไว้เพื่ออะไรเพื่อจะได้สังเกตจิตได้ง่ายปกตินะจิตจะร่อนเร่รวดเร็วหนีไปซ้ายหนีไปขวาหนีข้างบนลงข้างล่างหนีตลอดไปหน้าไปหลังดูยากถ้าเรามีแลนด์มาร์กไว้ตัวหนึ่งนะมีเครื่องอยู่ของจิตสมมตนะินี่คือพุโทโธนี่คือลมหายใจนี่คือท้องผองยุบนี่คือการ ขยับมือทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะแล้วก็เราก็รู้ทันจิตไม่ใช่รู้เครื่องมือนี้นะไม่ใช่รู้วิหารธรรมนะรู้ทันจิตมันพลาดกันตรงเนี้ชอบไปรู้วิหารธรรมไปจ้องใส่มันเราอยู่กับพุทโธลมหายใจท้องพองยุบนะขยับมืออะไรเงี้ยจิตเราวิ่งไปที่นี่เราพารู้จิตเราวิ่งไปที่อื่นเราพารู้รู้จิตไว้ค่นะนี่เป็นแค่เครื่องสังเกต ไม่ใช่เครื่องผูกมัดจิตจิตมาอยู่นี่นะห้ามไปที่อื่นอันนี้ผิดละคฝึกนะอย่างนี้แหละมีเครื่องอยู่ไว้อันแล้วมันจะดูจิตได้เยอะคะขอบคุณค่ะมันมีเหตุมีผลหมดนะที่พระเจ้าสอนนะทําไมท่านให้มีวิหารธรรมเริ่มต้นสติปัฏฐานเลยนะกายเยกายานุปสัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมหรือเอาจิตในจิตเอาเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมว่าบ้าน เป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่เจ้าของบ้านเราจะเอาเจ้าของบ้านนะไม่ใช่เอาบ้านเจ้าของบ้านคืออะไรคือจิตนั่นเองจิตมันมาอาศัยบ้านนี้อยู่มาอาศัยพุทโธลมหายใจมาอาศัยท้องพองยุบอยู่พอจิตมันมาเกาะเจ้าของบ้านวิ่งมาอยู่ในบ้านเราก็รู้ทันเจ้าของบ้านวิ่งไปข้างนอกเราก็รู้ทันนะรู้อย่างนี้เราจะรู้ได้ชัดเลยไม่งั้นน้มันหนีไปไหนก็ไม่รู้มันไม่มีบ้านอย่างเราจะหาใครสักคนหนึ่งเรารู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนเราหาง่ายใช่ไหม ไปหาที่อื่นไม่เจอมาเฝ้าหน้าบ้านเดียวก็เจอนี่บ้านมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปหามันที่ไหนอะดูยากวนะิหารธรรมมีประโยชน์นะหาให้คนละอันวิหารธรรมควรจะมีหนึ่งบางคนมีบ้านหลายหลังอนะหาตัวยากนะ เ, เดี๋ยวก็ไปอยู่กับลมเเดี๋ยวไปอยู่ที่ท้องอีกละอย่างเงี้ยนะดูยากมีบ้านหลังเดียวพอละเบอร์สาห้านมัสการค่ะหลวงพ่อคะคือ ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะอื hmm. ก็ไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็บางช่วงก็เผลอบ่อย hmm. บางช่วงก็เผลอนานอื hmm. แต่ว่าพอเวลารู้ชอบดึงชอบดึงกลับมาใช้ได้ลนะ <Ha? S 1> ใช้ได้ตัวที่รู้ทันนะค <Ha? S 1> เผลอ ER ไปก็รู้เผลอ ER ไปก็รู้ดึงไว้ก็รู้ <Ha? S 1> เผลอ ER ก็สุดตรงไปข้างหนึ่งดึงไว้ก็สุดตรงข้างรู้ว่าเผลอแลพอดีเลย <Ha? S 1> ดี ไปฝึกนะมีอีกคําถามหนึงค่ะหลวงพ่อคะคือว่า <c oughs> ไ, มไม่ไม่ทราบว่าจริตของโยมเนี่ยเหมาะที่จะทำสมถะหรือเปล่าอะค่ะไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยมาดูจิตแปดูกายด้วยเบอร์ร้อยเขาคุณทําสมถะไม่ลงหรอกใจมันช่างคิดเกิน180ยแปดกราบนามัสการหลวงพ่อครับพอดีลูกทํางานอยู่ที่ต่างประเทศ น, น, นะฮะแต่ก็ได้มีโอกาส อ่านหนังสือแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาเป็นเวลา10บเดือนยังไม่เคยส่งกันบ้านนะฮะก็ตามรู้ตามดูมารู้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เมื่อวานนี้ระหว่างที่นั่งเครื่องบินกลับมาเนี่ย <c oughs> ก็แอบไปเห็นความกลัวในช่วงที่เครื่องบินผ่าน <c oughs> อืเขตที่มีอากาศแปรปรวน <c oughs> ตกหลุมอากาศซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะก็จะกลัวแล้วก็สิ่งที่ทําได้ก็คือจะอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไห้คุ้มครองนะฮะแต่พอดีเมื่อคืนนี้ไปเห็นความกลัวขึ้นมาพอในช่วงที่จิตไปเห็นอะความกลัวก็หายไปโดยฉับพลันเออต้องอย่างนั้นสิก็พอตกหลุมอากาศใหม่ก็กลัวใหม่แต่เรารู้สึกใหม่ก็หายใหม่อีกดีเห็นไหมเกิดแล้วดับเห็นไหมบังคับไม่ได้ครับที่คุณภาวนาใช้ได้แล้วนะคือจะมีบางสภาวะที่รู้สึกว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้ว จะเข้ามาที่บริเวณศีรษะแล้วก็เบาโล่งสบายอันนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันเป็นเองไม่เป็นไรนะไม่ต้องพยายามให้มันเป็นมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆของคุณมีติดประคองแล้วนะประคองไปย่อมเป็นสมถะเนี่ยเบาๆแบบสมถะอย่าไปกดจิตไหมอย่าไปประคองจิตให้นิ่งคลายไปที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้แล้วเบอร์สามสิบสาม กลางวสชกาหลวงพ่อครับผมเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติมา2เดือนครับก็จะเห็นภาวะาสภาวะบ้างเห็นความาฟุ้งซ่านเห็นความหลงฮะแล้วก็เห็นมาณัตตาบ้างครับแต่ช่วงหลังมารู้สึกว่าจะหลงนานฮะไม่ทราบว่ า, าเกิดจากจิตมันไม่มีกําลังหรือว่าเกิดจากเราไปเพ่งไปช่องไวครับหลว่อครับเอเพ่งอะตอนนี้เพ่งนะแต่มันไม่มีแรง คุณทําในรูปแบบได้ละนะแบ่งเวลาไว้ทุกวันไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอนะไรสักวันหนึ่ง10นาที15นาทีนะครับตั้งใจไปทําทุกวันไม่เยอะนะอย่าตั้งใจไว้วันละหลายหลายชั่วโมงทําไม่ได้แล้วใจฝ่อตั้งไว้น้อยๆแล้วทําให้ได้ทุกวันใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมนี่เหมาะไหมครับไม่เหมาะของคุณถ้าใช้ลมแล้วพักเดียวจะซึมรู้สึกไหมครับผมถ้าหายใจไปเรื่อยเดี๋ยวก็ ไปอย่างนี้ไม่เอารู้สึกตัวไวรู้สึกครับผมกระดุกกระดิกไว้นะไปเดินดีที่สุดเลยเดินดีที่สุดนะนะหา ง, งานบ้านทำได้ดีที่สุดเดินดีที่สองครับผมทำไมทางานบ้านดีกว่าเดินอีกพราะทำงานบ้านนะกระบวน่าไม่ซ้าซากแต่เดินเนี่ยกระบวนท่าสสรซ้ำซากเดิ น, น, ะน ส, สนะพังก็ไปเพ่งได้ไดอ่าเบอร์เจ็ดสิบห้า ค่ะน้ำมาการค่ะคือของหนูก็เคยฝึกพองยุคมานะคะแล้วก็ได้มาฟังซีดีของหลวงพ่อ<ม>สักปีกว่าแต่ก็ยังไม่เคยส่งกันบ้านนะคะ<ม>ก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วปฏิบัติตามดูจิตไปรู้สึกว่า<ม>เห็นสภาวะของจิตบ่อยๆ<ม>แต่ก็จะเผล อ, อยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะเผลอยิ่งบ่อยยิ่งดีน ะ, ะเผลนานไม่ดีแต่เผลอบ่อยดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความทุกข์มันน้อยลง วันนี้ก็เราจะขอหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะสภาวะค่ะภาวนาดีแล้วละะ่ะนะค่อยฝึกไปน ะ, ะอดทนมีวินัยไม่ไม่ค่อยได้ฝึกในรูปแบบะคะเพราะว่าจะไม่ค่อย <laughs> ไ, มไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบนะะถึงเวลาต้องทำแล้วนะไม่งั้นแรงไม่พอ การทําในรูปแบบมีประโยชน์นะก็จะมีโอกาสที่เวลาได้ไปที่วัดพรธาตุผาท่อนแก้วอะฮะก็จะได้ไปปฏิบัติตรงนั้นเต็มรูปแบบอยู่ทักทีละสีห้าวันอ่างนี้ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อยู่บ้านนี่แหละทุกวันนะก็แบ่งเวลาไว้เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างนั่งก็ดูกายดูใจไปเดินก็เดินดูกายดูใจเดินรู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวฝึกอย่างนี้ทุกวัน ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อขาจะขอโอกาสให้แฟนหน่อยค่ะเพราะว่าแฟนมาระยะหลังเนี่ยยกมือแล้วหลวงพ่อไม่ค่อยได้เรียกอะฮะไหนละ่ะแฟนอยู่ไหนอะ <iggle S 1> อ่ะออาว่าไปหลวงพ่อเห็นว่าเป็นคนเก่าแล้วเลยขี้เกียจเรียกภาว น, นาก็ดีแล้วไม <aro op> ่มีอะไรแต่มันจริงๆมันมันถามหลวงพ่อทุกวันเลยครับแต่แต่วันนี้มาตั้งใจมาถามหลายอย่างแต่หลวงพ่อเทศก็หมดหมดคําถามแต่มันก็อยากถามนิดนึงครับว่า วเวลาที่มันเห็นเห็นว่ามันเฉยกับโมหะเนี่ยแล้วมันสงสัยเนี่ยเราดูสงสัยโดู<ห>ตัว<ล>ตัวปัจจุบันที่เกิดสดส ด, สดร้อนๆอนที่แรก ม, มันเฉยรู้ว่าเฉยเฉยแล้วดูไปอ๋มันซึมซึมมีโมหะหรือว่ามีโมหะนะดูไปดูไปเกิดสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยดูลงปัจจุบันครับแล้วอีกนิดนะครับแล้วจริงๆของผมเนี่ยมันเฉยหรือว่ามันโมหะครับ มันมีโมหะสมาธิไม่ใช่โมหะธรรมดาโมหะที่เกิดจากการฝึกจิตให้นิ่งครับอย่าไปควมจิตให้นิ่งครับแล้วแขออนุณินตินะครับเพราะว่ามันเชิญเชิญเวลาที่มันมันมันคิดเนี่ยแล้วมันบางทีมันแวบมาว่าเอ๊ะมันห้ามไม่ได้อืแล้วตอนหลังผมก็คิดนำแล้วมบเคยไปติดครั้งติดอยู่ว่ามันคิดมันห้ามไม่ได้มันคิดมันเองอืม นี่ตอนหลังมันก็มันก็เหมือนคิดนําหรือว่ามันคิดเองอะไรเงี้ยครับให้รู้ทันไปมันคิดนำก็ให้รู้ทันะถ้าจิตพูดเองไม่เป็นไรถ้าเราไปพูดแทนจิตนี่ไม่ดีเคยตัวเนี่ยมันจะเคยนะมัจะพูดมากมันจะพูดไม่เลิกขอบคุณครับเรารู้เล้นะทั้งคุณเดี๋ยวไปบังคับให้นิ่งกันแล้วกันร้อยยี่สิบเก้าอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังอนมาสการหลวงพ่อค่ะ ภาวนามาประมาณเก้าเดือนแล้วค่ะก็ความทุกข์น้อยลงความโกรธก็คือความทุกข์ทั้งน้อยลงทั้งสั้นลงค่ะความโกรธก็น้อยลงสั้นลงอเ อ, อเดือนที่ผ่านมาเวลาเดินจงกรมอะค่ะพอรู้สึกตัวเผลอไงค่ะหลวงพ่อมันจะกลับมาที่ลมหายใจเออแล้วก็แต่ว่ามันแข็งอ่ะคือกลับปุ๊บมันแข็งอืช่วงอาทิตย์แรกก็ยังยั ง, ย, งยังไม่รู้สึกอะไรนะคะยังแบบตามดูนไปแต่พอสัก อาทิตย์ที่สองเริ่มไม่ชอบค่ะเริ่มไม่ทําไมไม่หายสักทีก็เลยเริ่มไม่เป็นกลางก็อยาให้มันหายก็ตามรุมไปเรื่อยๆพอยิ่งอยากให้หายมันยิ่งมันยิ่งแข็งให้ให้ดูตัวที่เป็นปัจจุบันตัวที่เป็นปัจจุบันคือตัวหยาบค่ะนะตัวที่แข็งเนี่ยอย่าไปดูมันยิ่งไปดูมันยิ่งสนใจมันนะยิ่งจ้องยิ่งแข็งใช่ค่ะเพราะแข็งจนแบบใช่ไม่หลอกหรอกแข็งจนแบบท้องเล่ออกเนี่ยเอาปัจจุบันนะตัวแข็งๆนั้นเป็นอดีตแล้ว เราโมวแต่ไปจ้องตัวอดีตอยู่ไปเพ่งเาใช่ค่ะพอสามสี่วันที่ผ่านมาหนูก็เลยรู้สึกว่าโอมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันแข็งของมันเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยปล่อยมันแบบแกอยากจะแข็งเรื่องของแกฉันก็จะดูว่าแกจะแข็งไปนานแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่มันต้องอย่างนี้ค่ปล่อยปล่อยมันไปค่ะก็ใช้ได้บรอกถูกลรือ่ะ่าถูกล่ะไปดูนาวันนี้มีใจฟุซ่านนิดหน่อยไปดูเอา นี่ใส่ขี้มโมโหดูง่ายมากแล้วนะใจมโมโหแว บ, บขึ้นมารู้ทันแว บ, บขึ้นมารู้ทันมันโกรดเรื่อยๆดีไปฝึกไม่ยากหรอกคนขี้มโมโหเรียนง่ายร้อยคุณ <18 8. S 2> ค่ะ188พวกใจเย็นะเรียนยากพวกเผลอๆทั้งวันนยิ้มสายลมแสงแดดมีแต่วความสุขภาวนาลำบากอาตกงานคับหลวงพ่อว่าไงไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาปีหนึ่ง<น>ก็เลยขอดูหน้าหน่อย จะดูหน้าหนึ่งปีที่ผ่านมาอ๋อคนนี้ปิดได้หลวงพ่อไม่รู้ไข่เป็นไข่แล้วคืก็ไม่รู้จะส่งอะไรครับก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าง่ายง่ายสุดๆก็ก็เชื่อนะเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมก็เห็นครับทุกอย่างมันสั้นหมดนเะอืยไม่ว่าอะไรมันก็สั้นหมดจะทุกข์จะสุขทําไมมันสั้นรู้ไหมเพราะปัจจุบันจะสั้นนิดเดียวครับเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมทุกข์ก็ไม่ได้นานหรอกก็แวบเดียวสุขก็ไม่ได้นานก็แวบหนึ่ง กุศลก็ทีละแวบเท่านั้นเองและทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยตอนนี้ใจเรายังไม่ถึงขั้นที่จะเห็นความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะบก็สะสมความเข้าใจความรู้ความเข้าใจไปดูไปเรื่อยคือผมมีคําถามคือเมื่อก่อนนี้ผมฟังซีดีของหลวงพ่อเนี้ยก็ฟังตอนกลางคืนปรากฏว่ามันไม่หลับแล้วประมาณ3ามสี่วันก็เลยต้องเลิกฟังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทําไมมันถึงนอนไม่หลับ ไม่แปลกหรอกซีดีหลวงพ่อมันมีพลังงานแห่งความตื่นครับก็เลยต้องหยุดฟังเสร็จแล้วก็ไปเจอท่านหนึ่งท่านก็นแนะนําว่าไอ้ที่เรานอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าจิตเราไปยึดถือไว้เราไม่ยอมปล่อยวางเองก็หลังจากนั้นมาก็คืนต่อมาก็เลยบอกว่าไอ้ตอนจะนอนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่ยึดอะไรแล้วนะเราจะปล่อยวางทุกอย่างแล้วแล้วมันก็หลับไปเลยเ อ, อคกับจริงเราหลับไปด้วยความหลง มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปสั่งว่าไม่ยึดไม่เอาอะไรสักอย่างหรอกนะมันสั่งไม่ได้ไอ้นั้นเป็นการปลอบใจตัวเองว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยพอปลอบใจตัวเองแล้วสบายใจพอสบายใจแล้วเลยหลับไปอครับแค่นั้นแหละไม่ใช่อัศจรรย์ดังนั้นถ้าอยากหลับนะไม่มีวันหลับหรอกถ้านอนเล่นแล้วหลับง่ายก็ปัจจุบันนี้พอหัวถึงหมอนก็หลับหลับไม่รู้เรื่องเลยฮะก็จะตื่นอีกทีประมาณตีสองคึ่งอืมดี แล้วทําไงก็ไม่ทำอีสอครึ่งก็บางทีก็เดินออกมาเดินจงกรมบางทีก็รู้ว่ามันขี้เกียจไม่รู้จะไปเดินทําไมอแล้วตกลงเดินไหมก็บางคืนก็เดินนะบางคืนก็ไม่ได้เดินเพราะว่าบางทีเราเราคิดว่าไอ้การที่เราลุกขึ้นมาเดินเนี่ยพอเราอยากหรือเปล่าอย่าเชื่อกิเลสนะกิเลสเป็นหลอกเราให้ไม่เดิน อยากก็อยากเบื้องต้นอยากไปก่อนอยากปฏิบัติไปก่อนนะการที่เราอยากปฏิบัติแล้วเราตามรู้ตามดูเนี่ยมันฝึกสติของเราไปเรื่อยต่อไปสติมันอัตโนมัติถึงไม่อยากนะสติก็อัตโนมัติแต่ถ้าเรากลัวว่าปฏิบัตินี่มันทำตามความอยากเพราะงั้นไม่ปฏิบัติดีกว่าอันนี้เรายึดในความคิดความเห็นของเราแล้วนะรเราอย่าไปเชื่อมันนะพักเพียรเข้า ค, คนที่พ้นทุกข์มานะพ้นด้วยความเพียรทั้งนั้นเล ไม่มีทุกข์ด้วยการกินกิน น, น, นอนนอนหรอกสู้ตายแล้วขอแนะนำวิหารวิหารธรรมของผมดูคุณของคุณมันดูได้ทค่สองอย่างนะเห็นจิตก็ดูไปถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปเนะครับเ่ื่อ44นำมันสการหลวงพ่อคะ่ะ คือก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติแบบคล้ายๆแบบกําหนดมาก่อนค่ะแล้วก็นานๆานทีได้ปฏิบัติแบบว่าเป็นเต็มแบบฝึกที่วัดนะคะแต่นอกนั้นก็พยายามทําเองแล้วที่นี้พอฟังซีดีหลวงพ่อก็เริ่มปฏิบัติแบบให้รู้ตัวแต่ไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาถูกหรือเปล่าแต่ก็เผลอบ่อยเหมือนกันค่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ่อยมากเราวัดการปฏิบัติของเราได้ง่ายๆเลยนะถ้าเราเห็นกิเลสเกิดได้เรื่อยๆเนี่ยใช้ได้ ถ้าวันๆหนึ่งไม่เห็นมีกิเลสเลยนี่ใช้ไม่ได้หรอกไม่ใช่ความจริงแล้วเพราความจริงในโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเราเนี่ยกิเลสเกิดทั้งวันแหละหลงบ่อยเละดีเห็นหลงได้รู้ไปเรื่อยทั้งวันนะเห็นเลเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้ฝึกไปงี้ได้่อยเราไม่ได้ฝึกเอารู้ไม่ได้ฝึกที่จะห้ามหลงแต่การที่ฝึกแล้วมันมีเป็นคู่คู่เช่นเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้หรือเดี๋ยวโลบเดี๋ยวไม่โลบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธ มีเป็นคู่คู่อย่างนี้ฝึกเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยชั่วคราวอย่างจิตที่หลงรู้สึกไหมอยู่ชั่วคราวก็หายจิตที่รู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวก็หายไปจิตที่หลงห้ามมันก็ไม่ได้มันจะหลงจิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกตัวก็ไม่ได้ประเดี๋ยวหนึ่งก็หลงอีกละเราดูเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้หลงนะไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบ เพราะนสภาวะทั้งหลายเนี่ยเสมอภาคกันทั้งหมดเลยระหว่างหลงแล้วรู้หลงไปเกิดแล้วก็ดับรู้เกิดแล้วก็ดับในขั้นของการทํำวิปัสสนาเนี่ยสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์แต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันนะอย่างทําอกุศลเนี่ยก็ต้องมีผลของอกุศลทํากุศล ก, ก็ผลของกุศลไม่เหมือนกันแต่โดยตัวของมันเองเนี่ยเกิดแล้วดับเหมือนๆกัน เราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาตัวดีเอาตัวสุขตัวสงบแต่ภาวนาจนเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะนั้นหลงไปรู้ไปหลงไปรู้ไปใช้ได้ถ้าหลงหลงหลงหลงหลงหลงใช้ไม่ได้เห็นเพราะมันไม่มีรู้เลยถ้ารู้รู้รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆก็ใช้ไม่ได้นะพวกที่รู้ไปเรื่อยๆคือพวกเพ่งนะเห็นไหมมันมีแต่ความเที่ยงแทนที่จะไม่เที่ยงนะถ้าห ล, ล, ลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้เนี่ยแสดงแต่ความไม่เที่ยง เบอร์เจ็ดเจ็ดขออีกคําถาม น, นึงค่ะชวรบกวนหลวงพ่อแนะนำดังนิดเถอะหลวงพ่อแก่แล้วผูตึง <c oughs> ขอให้หลวงพ่อแนะนําวิหารแธรรมที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยค่ะจิตใจเราดูง่ายนะใจเรามันหุดหงิดง่ายอะไรง่ายเยดูไปเลยนะดูง่ายๆ่ายเจ็ดเจ็ด <c oughs> คนขี้โมโหมีบุญนะดูง่ายเอการนมัสการหลวงพ่อค่ะ โทสะ<ป>ทําให้เป็นนรก <c oughs> <c oughs> อ่ะปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าอตอนตอนที่ไม่มีอารมณ์มากระทบอ ะ, ะ่ะมันก็รู้สึกพอใจกับกับสภาวนะนั้นแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับหวังลึกๆว่าไม่อยากจะให้มันโกรธอีกนี่พอพอมันมีอารมณ์มากระทบปุ๊บมันโกรธแล้วก็รู้สึกไม่พอใจกับสภาวะนั้นเราไม่อยอมรับความจริงนะ เราอยากให้จิตเป็นอัตตาเขาเป็นอนัตตาอารมณ์ก็เป็นอนัตตาใช่ไหมมากระทบจิตก็เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็รู้โน้นรู้นี่ห้ามไม่ได้พากระทบแล้วจิตก็เป็นอนัตตาอีกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะทั้งกายทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดแต่ใจเรายังยอมรับไม่ได้แค่้นเราก็เฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนเขายอมรับได้นะ ตอนนี้ก็พอรู้สึกว่าพอมันรู้สึกตัววุบขึ้นมาเนะี่ยหลังจากพาว่ารู้สึกตัวมันจะมีประคองอนิดๆปกติสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะเวลาเผลอไปพอรู้ว่าเผลอปุ๊บประคองทุกคน่ะบางคนกลับมาอยู่กับลมหายใจบางคนกลับมาอยู่ที่ท้องอะไรแล้วแต่ความเคยชินนะบางคนเพ่งจิตบางคนไม่เคยอยู่ที่กายอยู่ที่จิตอย่างเดียวพอรู้ว่าหลงไปปุ๊บเพ่งจิตนิ่งเลย เสเต็มเลยมีสามอันนะอันหนึ่งรู้ว่าหลงอันหนึ่งหลง<ม>ที่สองรู้ว่าหลงที่สามเพ่งหลงไปก็คือสุดโต่งข้างตามใจกิเลสรู้เนี่ยคือตัวกลางค่ะเพ่งก็สุดโต่งไปข้างบังคับค่ะมันมีสามสภาวะสามสภาวะล้วนแต่เกิดเราดับสามสภาวะล้วนแต่บังคับไม่ได้สามสภาวะนี้เท่าเทียมกันแล้วต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรไหมคะแก้เพื่ออะไร ไปดูนะแกเพราะอยากดี <c oughs> ให้รู้ทันว่าอยาก <c oughs> แต่มันก็อยากของมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราก็ตามรู้ไปนะจนเราเกิดธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งคือธรรมชาติที่พ้นอยาก <c oughs> ธรรมชาติ <c oughs> ที่อยากมันใครๆมันก็อยากนะสัตว์ทั้งหลายอยากแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเก <c oughs> 90สิบ กับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะขอบพระคุณที่ให้โอกาสส่งกันบ้านแล้วก็เมตตาสั่งสอนคะ่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งแต่ซีดีหนึ่งจนยี่สิบแปดนะคะโอ้ฟังเยอะกว่าหลวงพ่ออยก <laughs> ในรถตอนนี้ก็ละซีดีเพลงออกไปหมดแล้วฟังแต่ซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรม<ห>ก็ปฏิบัติตามดูรู้แต่ว่าเป็นคนขี้โมโหเป็นคนกิเลสหนาทุกอย่างนะะหลวงพอ่อ แล้วก็ฟุ้งซ่านเยอะวันๆคิดทั้งวันก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่รู้ตามรู้จิต ด, ดูกิเลสเนี่ยมันไม่เบิกบานมันไม่มันมันเครียดมันเหมือนกับว่ามันยังตามไปอยู่กับกิเลสอันตนั้ น, น, น, น, นตามไปอยู่กับความโมโหอ น, นันนั้นอยู่เวลารู้นะให้สภาวะเกิดก่อนแล้วค่อยรู้นะอย่าไปจงใจที่จะรู้ตลอดเวลา ถ้าเราพยายามจะรู้มากๆมันจะกลายเป็นการเพ่ง ๆ, ๆไว้ใจจะเครียดๆไม่มีความสุขหรอกเผลอไปก่อนแล้ว ร, d, รู้ว่าเผลอโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะฝึกอย่างนี้นะฝึกไปข อ, ของคุณข <c oughs> องคุณมันไปจ้องไว้ก่อนขอบคุณค่ะอยากรู้เยอะๆอยากรู้ชัดๆอะไรเงี้ยก็กลายเป็นการเพ่งจองไม่มีความสุขคขอบคุณค่ะเบ <B 110. S 1> อร์ร้อยสิกราบนัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกครับ ก็โดยที่เคยปฏิบัติมาก็คืออาจจะเห็นเรื่องคิดคิดก็มันเกิดมันดับแล้วก็อย่างพวกสาภาว่งง่วงอะไรเงี้ยฮะช่วงมันซึมซึมก็เห็นแล้วมันก็จะรู้สึกตื่นขึ้นมาเองอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อาทิตย์ที่แล้วก็มีติดเพ่งช่วงนี้ก็คือลดน้อยลงไปบ้างเนี่ยครับทีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจริตของตัวเองเนี่ยครับว่าเหมาะกับแบบไหนแล้วก็คุณเป็นทิฐิจริตนะเป็นนักคิดโดยธรรมชาติเลยงั้นกรรมฐานที่หม อ, อคุณก็คือการตามดูจิต อย่าลืมคำว่าตามนะตามดูจิตครับนะแล้วแล้ววิหารธรรมค น, นี่ไงดูจิตไปดูจิตไปวิหารธรรมครับนะอ่ะต่อไปยี่สบห้าอ่ะเชิญยีห้าค่ะอยากจะขอวิหารธรรมนะคะือขอวิหารธรรมนะคะวิหารธรรมหนะะ้านะพ่อแม่ให้เรามาแล้วคือกายกับใจนะดูไปสิหนูควรจะเคลื่อนไหวไกายหรือว่า เคื่อนไหวไหเค่นไวนไหน่าใจมันฟุง้งมากพยายามกระดุกกระดิกไหมอย่างน้อยมันก็ได้สมถะไปเดินจงกรมดีที่สุดคือทำงานบ้านน ะ, ะ, ะลองลงมาเดินจงกรมและอยากจะขอโอกาสให้เพื่อนยังไม่เคยส่งกันบ้านนะคะว่ะาไปสวัสดีครับกลับนั้นมาสมการครับฟังซีดีมาหลายเดือนแล้วครับ ก็ลองสังเกตสภาวะดูครับก็ที่เห็นอย่างแรกก็คือจิตมันจะเป็นซึมๆง่วงๆอยู่ตลอดครับเคลื่อนไหวไปนะครับของคุณจิตมันมีพื้นของโมหะแต่ไม่มากหรอกบางคนมากกว่านี้นะครูบาอาวันนี้ยังไม่เข้ามาเนี่ยโมหะครอบเมื่อก่อนเจอหลวงพ่อหลวงพ่อถามทุกทีเลยตั้งสิบกว่าปีก่อนแล้วเป็นหวัดหรือเปล่าไปกินยาวัดมาแล้วเปล่า ไม่ซึมตลอดเลยแต่เขาอดทนนะเขาเดินจงกรมเขาอะไรไปเรื่อยใจมีเรี่ยวมีแรงให้มันเขาหลุดออกมาของคุณจิตมันมีโมหะบางๆเคลือบไวนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้น่ากลัวมากหรอกนะเคลื่อนไหวไปแล้วหายครับยี่สิบสี่อยู่ข้างหน้าข้างหน้ า, า, ล า, าลหลักและวัศการหลวงพ่อค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านคือดูออกไหมจิตกระเจิดกระเจิง หลวงพ่อให้ไปดูกิเลสอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟัางครั้งที่อะไรที่มันคุ้นชินอย่างเช่นฟุง้งซ่านหรือว่าใจลอยก็จะ ไม่ค่อยทันนะคะก็จะเพลอไปนานแต่ว่าถ้าอะไรที่มันแรงๆหน่อยนะคะอย่างเช่นโทสะหรือว่าบิษยาอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นชัดค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็มันก็คลายลงได้แต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ยอมคลายรู้อย่างเป็นกลางแล้วมันจะคลายนะถ้า ร, ารู้แล้วก็อยากให้มันหายแนละ้วมันไม่หายเพราะว่าใจเราไม่มีสติใจเรามีโทสะแทน อย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราอยากให้หายโกรธเราไม่ชอบความโกรธนี่มันมีความโกรธซ้อนขึ้นมาอีกตัวงคือโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกสติมันเลยไม่เกิดแต่บางทีไม่ได้จงใจนะพอสักว่ารู้สักว่าเห็นมันขาดเลยสติมันเกิดสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้หรอกค่อยฝึกไปแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วหนูก็คือจะชอบเอาเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดทบทวนแล้วก็มันก็จะคลุกอยู่กับอกุศลอะไรงเงี้ย ให้รู้ทันนะว่าหลงไปคิดคถ้ารู้ว่าหลงไปคิดนะใจไม่หลงไปอกุศลก็ไม่เกิดถ้ารู้ไม่ทันหลงไปคิดก่อนอกุศลเกิดรู้ว่ามีอกุศล น, น ะ, ะเอาเท่าที่ได้แล้วหนูควรจะปฏิบัติในรูปแบบดูจิต ไ, ไปนะดูจิตไปแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็ค่อยไปเดินตอนนี้เคลื่อนไหวนิด น, น, นหน่อยๆก็พอดูได้นะ่ร้อยหกสิบห้า ออาคุณอุษาครับปรับน้มันจากรเจ้าค่ะขออนุญาตส่งกันบ้านในรอบสี่เดือนช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าสีเดือนนี้จะเห็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองแล้วจะเห็นมานะอัตตาเห็นตัวเราเร็วมากดีสิขึ้นมาบ่อยค่ะเออดีเราภาวนาไม่ใช่เพื่อไปละไปทำลายมันหรอกนะเห็นไหมทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาก็ดับไปดูอย่างนี้ได้ะวันหนึ่งใจเป็นกลาง อะไรเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางใจที่เป็นกลางใจไม่ดิน้น <Okay. S 1> ใจไม่ดิน้นไม่ปรุงแต่งนะเดี๋ยวใจก็เข้าถึงความสงบสุขค่ะ <Okay. S 1> ดีไปฝึกอีกนะแล้วแล้วอีกอย่างค่ะเวลาเดินจงกรมนะเจ้าคะถ้าเดินตามรูปแบบอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจิตเขาจะกดแต่เวลาที่โยมเดินอย่างที่เดิ น, ดนอยู่ทำเป็นธรรมชาติเนี่ยเขา<ก>จะ เ, เบาเป็นธรรมชาตินะแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ <Okay. S 1> มีที่กว้างๆเดินก็เดินไป แต่เขาไม่ให้เดินไกลามากนะขว้างมากเดี๋ยวมันชมนกชมไม้แล้วลืมไป <c oughs> อ, อ่าเบอร์ 3-9 ข้างหลังตรงเลยข้างหลังกับธรรมสการคะ่ะหลวงพ่อขั้งสุดท้ายที่หนูส่งคือเมื่อตอนเดือนมกราจริงๆเนี่ยหนูว่าหนูเห็นตัวอัตราตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้ว แต่หนูไม่แน่ใจหนูก็เลยดูมาเรื่อยๆทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยบางครั้งเราเห็นเหมือนกันว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยเป็นเพื่อตัวเราเองไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็เพื่อตัวเราเองนิดๆหน่อยๆก็ตัวเราเองทีนี้เห็นถูกไหมคะถูกที่เห็นคือใช่แล้วใช่ไหมใช่เลยนะถูกต้องตรงความเป็นจริงเลยของคุณเนี่ยตามจะขึ้นบ่อยมาน่าตามขึ้นรู้ค่ะแล้วไม่ทุกอย่างเกิดแล้วดับค่ะมีตรงไหนที่ควรระวังอีกไหมคะ รู้ทันแล้วไม่มีปัญหานะไม่ได้ติดอะไรหรอกไม่ได้ติดอะไรนะคะค่ะขอบคุณแต่จิตมันฟุ้งซ่านไปนิดหน่อยนะค่ะนี่ควรทํารูปแบบควรควรทำในรูปแบบบ้างแต่ว่าทําในรูปแบบไม่ใช่มุง่งทําจิตให้สงบนะ <c oughs> ถ้ามุ่งไปทําจิตให้สงบจิตจะไม่สงบหรอกแล ว, วิธีการทําให้เกิดความสงบเนี่ยมันมาจากความสุขความสบายเงนั้นถ้าหากเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาลอดจิตมันก็จะไปอยู่กับอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ต้องบังคับ จิตจะสงบได้อย่างสบายๆ ส, สงบเองอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่ดเด็กหลวงพ่อชอบหายใจหายใจแล้วมีความสุขพระมีความสุขจิตก็สงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเพราะฉนั้นแต่ละคนเนี่ยจิตมันวิ่งหาอารมณ์โน้นหาอารมณ์นี้ตลอดเวลาเพราะจิตมันอยากได้ความสุขแต่มันวิ่งไปหาไม่เจอสักทีไปทางนี้ไปทางนี้ก็เลยเรียกว่าฟุ้งซ่านวิ่งไปเรื่อยถ้าเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อนะ จิตว่ามาเคล้าเคลียอยู่ที่อารมณ์นี้โดยไม่ได้บังคับเนี่ยจิตจะมีความสุขจิตจะสงบจิตคล้ายๆเด็กนะเด็กไปวิ่งสนอนอกบ้านมันไปวิ่งสนมันก็คิดว่ามันมีความสุขแต่ว่าถ้าเราไปเรียกเด็กเข้าบ้านนะบังคับมันเข้าบ้านมันไม่มีความสุขมันก็อยากไปอีกจิตก็เหมือนกันนะบังคับมามันก็อยากไปอีกเราก็เอาขนมมาล่อดเด็กเด็กชอบกินไอติมไปเรียกเด็กมากินไอติมเด็กก็มีความสุขในขนาดที่กินไอติมนะเด็กไม่ไปสนที่อื่น จิตนี้เหมือนกันถ้าจิตมาอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไม่ไปสนที่อื่นจิตก็สงบเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของสมถะกรรมฐานนะก็คือต้องไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขไว้นี่เคล็ดลับนะกว่าจะได้เคล็ดแต่ละตัวนะหลวงพ่ออะไรเคล็ดไปทั้งตัวเลยแล้วควรจะเป็นแบบไหนไหมคะอะไรล่ะอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขที่เป็นกุศลนะชว่์นินทาชาวบ้านมีความสุขอย่างนี้ไม่ได้นะเราไปดูเอา แต่ถ้าดูทีวีอย่างนี้มันก็เหมือนจะหลงไปไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นอกุศลทีวี <c oughs> ของเราทุกวันนี้มีแต่อกุศลหรอกไม่มีกุศลหรอกนะหาอารมณ์ที่เป็นกุศล น, นะร้อยสามสิบสองบางคนนะแค่ถือศีลมาดีนะรานึกว่าเออเรารักษาศีลไว้ได้ดีนะจิตสงบเลยนะสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาจิตไม่เคยสงบเลย คนอื่นเขาได้มากฝนที่ผ่านไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยสมาธิเก็ไม่ได้วันหนึ่งนะท่านก็เอามีดโกนมาปาดคอเลยกะตายละรอกนี้พอปาดคอไปแล้วท่านก็มานึกเสียใจว่าบวชมาทั้งทีไม่เคยได้อะไรกับใครเขาเลยแต่นึกไปนึกมาก่อนจะตายนึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมานี้รักษาศีลมาตลอดเลยศีลไม่เคยดังพลอยเลยพอท่านคิดว่าศีลท่านไม่ดังพลอยนะจิตท่านสงบเลย แล้วมีความสุขเลยคิดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลนะจิตมีความสุขขึ้นมาจิตสงบเลยจิตตั้งมั่นนะเห็นร่างกายตายท่านบรรู้พระอรหันต์ตอนนั้นเลยนั้นอยู่ที่ว่าเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขในอารมณ์นั้นต้องเป็นกุศลอย่างเราไปทําบุญทําทานมานะเรามานึกสมมติเราไปเห็นหมาอดอยากเราเอาข้าวไปให้กินพอเรานึกแล้วเราเปลื้มใจจิตที่ปลื้มใจนะจิตมีความสุขมีความสงบอย่างเงี้ยอ่ะเบอร้อยสามสบสอง กับนักวิชาการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณพระอาจารย์ที่ออยอมได้พ้นทุกไปมากขึ้นจากที่มีอยู่ก่อนนะคะเนื่องจากหลานปฏิเวทได้นาพามาให้พบพระอาจารย์ทำให้การพ้นทุกเนี่ยพ้นไปได้มากเลย<ะ>ทุกสั้นลง<ะ>ลงคิดบ่อย<ะ>และบางครั้งก็แทรกแซงโ oh. อ้หลงคิดอีกล ะ, ะบางครั้งก็ เอรู้ทันก็ตัดไปทันทีเลยนะคะมันตัดเองเนาะมันก็ขาดไปเฉยเฉยใช่แต่ถ้าสมมติว่าหลงคิดไม่ไม่รู้ทันก็จะบอกว่าเออหลงคิดนานจังบางทีก็ได้มีเหมือนเสียงอาจารย์บอกว่าเออน้าเกียดนะเนี่ยในเทปซีดีอาจารย์จะบอกว่าถ้าหลงคิดนานนี่หน้าเกียดมันก็เกิดเสียงเสียงนี้เข้ามานะฮะก็อีกอย่างที่ที่อาจารย์บอกว่า สมองเข้าใจแต่ใจไม่เข้าใจอันนี้ก็เจอมาแล้วความรู้สึกว่าจริงๆเลยว่า<ช>ที่เราว่าสมองเข้าใจนะจริงๆแล้วใจเราไม่ได้เข้าใจใช่คะอย่างยมแม่เสียยมพ่อเสียทิสภพร์เสียไม่ได้เสียใจเลย<ช>รู้สึกว่าเออท่านพ้นทุกไป<ช>แต่เมื่อไม่นานนี้เพื่อนยมเสียซึ่งไม่นึกว่าจะเสียเออรีก่อนพอแป๊บเดียวแค่นั้นอะเสียไป Mm. ใจทลับไม่ได้เพราะ mm. ว่ามันเพื่อนเสนิทมาก mm. เลยมารู้ว่าอ๋อเนี่ยใจมันไม่เข้าใจแล้อยากอาจารย์แนะนําว่าโยมมีเข้าบกพร่องอะไรแล้วก็ควรทาอะไรบ้างทําไปสม่ําเสมอนะดูไปสบายๆแต่สม่ําเสมอดูทุกวันดูบ่อยๆแต่ไม่ดูจนเครียดน ะ, ะไม่ใช่ดูจนหมกมุนน<ต>่นให้ความความรู้สึกมันไหลมาแล้วก็ค่อยรู้ไปค่อยรู้ไป เดยตอนนี้ก็ใช้วิชีวิตสําหรับฝึกปฏิบัติแล้วก็ฟังเสียงจารย์แล้วก็อ่านธรรมะมส่วนอย่างอื่นเนี่ยรู้สึกว่า ท, ที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าหมกมุ่นอะนะระวังตัวอย่างอื่นอย่างอื่นแล้วไม่ได้เลยไม่ทราบเป็นอะไรโนะ ล, ลกทางโลกเนี่ยไม่อยากได้เลยวะให้รู้ทันว่าใจปฏิเสธโลกใจไม่เป็นกลางกับโลกให้รู้ทันตัวนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมกมุ่นไป ขอบพระคุณค่ะอยู่ที่รู้ทันจิตตัวเองอันเบอร์ิเชิญกับนมาราชการเจ้าค่หลวงพอ่อก็ที่แรกก็ว่าจะไม่ส่งไอ้เจ้าค่ะแต่ไม่เชื่อความคิดตัวเองไอ้เจ้าค่หลวงพอ่อแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยเจ้าค่ะลูกได้กระทบกับสภาวะบางอย่างก็เอาไปเล่าให้กับพระอาจารย์ที่ท่านขอร้องให้ลูกมาพบหลวงพ่อไอ้เจ้าค่ะแล้วก็ในขณะที่เล่าก็อยู่ไอ้เจ้าค่ะมันก็อินมันก็จะร้องไห้ท่านก็บอกว่า ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ลูกก็ไม่ก้าที่จะคานท่านจนอารมณ์มันเข้าสู่ความปกติเจ้าค่ะก็ได้ถามท่านว่าพระอาจารย์ยมต้องไปพบหลวงพ่อป้อมอดอีกไหมในขณะที่ลูกถามมาเจ้าค่ะมั่นใจว่าเราช่วยตัวเองได้แต่ก็ไม่กล้าเดือ้อเจ้าค่ะลหลวงพ่อทีนี้ไม่เข้าใจคําว่าพึ่งตัวเองไม่ได้ไหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะือพึ่งตัวเองยังไม่ได้คือถ้าดูสภาวะไม่ออกนะยังติดยังคล้องอยู่ไม่รู้หลักของการปฏิบัติ ไม่รู้ว่าจ ะ, จะเจริญสติยังไงยก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้หรอกเจ้าค่ะแล้วคนที่พึ่งตัวเองได้คือพระโสดาบันเจ้าค่ะหลวงพอ่อแล้วก็เมื่อวานนี้ได้สับของอาการที่ลูกเป็นอยู่คือบางครั้งเวลาน้อยใจแล้วมันร้องไห้เจ้าค่ะแล้วเมื่อวานหลวงพ่อสอนญาติที่ทำท่านหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าถูกอารมณ์ครอบงาอําเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงพอ่อมันถูกครอบงำเจ้าค่ะนั่นแหละไปดูเอาเจ้าค่ะให้รู้อารมณ์นะอยากให้มันครอบงํา เบอร์ยี่สิบเอ็ดอยู่ข้างหลังผู้หญิงเป็นเยอะนะทัวอารมณ์ครอบงำเนี่ยแล้วเบิงทีปล่อยมันด้วยให้มันเจ็บเจ็บแสบแสบในใจนี่ชอบนะจริงๆเป็นนางเอกแบบนั้นอาเชิญกราบขอการหลวงพ่อครับก็คือการบ้านที่หลวงพ่อให้คือไปทำในรูปแบบเพื่อเพิ่มกำลังให้กับจิตใจมากขึ้นครับก็พยายามทำไม่ให้มันต่อเนื่องครับเดินเป็นเลข8ดกับนัง ดูลงหมายใจไปทราวาตอนกําลังมันเพิ่มขึ้นหมครับกำลังเพิ่มสิรู้สึกไหมล่ะรู้สึกครนะพอมีแรงแล้วต่อไปนี้นะดูกายดูใจเขาทํางานอย่าให้จิตนิ่งนิ่งเฉยเฉยตอนนี้จิตนิ่งนิ่งทื่อๆมากไปครับอีกอันหนึ่งคือเวลาเห็นมันบางอย่างมันก็ชั่วคราวทุกอย่างมันชั่วคราวนะบางสิ่งบางครั้งจิตใจมันไม่อยากไปคิดอกุศลมันก็มีอกุศลขึ้นมาห้ามมันไม่ได้ใช่ นี่เราดูของจริงเราดูเป็นแล้เห็นไหมมีมานาอัตตามันสอนธรรมะเราตลอดนะอย่างมานาอัตตาจะมามันมาเองเห็นไหมอกุศลจะมามันมาเองไล่ก็ไม่ไปห้ามก็ไม่เชื่อมันเป็นไตรลักษณ์หรือว่าเป็นโยนิโสมันไตรลักษณ์เราเห็นไตรลักษณ์เห็นไหมทุกอย่างมาแล้วก็ไปนี่อนิจจังนะทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้นี่ทุกขังนะทุกอย่างมันมาเองมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เราสั่ง ไปดูอย่างนี้แหละดีละครับ6กสิบเอ็ดอยู่ข้างหลังนู่นแม่ชีข้างหลังกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะคือแม่ชีเคยมาที่นี่บ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้สนทนากับหลวงพ่อเท่าไหร่มาคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูตัวเองเยอะๆแต่พอกลับไปวัดบางวันมันดูไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าเวลาสวดมนต์เนี่ย แต่คอยสังเกตว่าพอสวดๆอยู่แล้วมันใจมันแว บ, บไปนี่จะรู้อะค่ะอย่างนี้ดีเราก็สวดเรื่อยๆต่อไปพอชํานาญนะอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยใจแวบเรารู้แวบเรารู้ตอนนี้แวบแล้วรู้สึกไหมค่ะแล้วหลวงพ่อคะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งแม่ชีรู้สึกปวดแสบร้อนที่เท้านะคะแม่ชีเคยสวดมนต์บทหนึ่งถ้าเวลาป่วยนะ่ะสวดสวดแล้วเอามือลูบไปเนี่ยมันจะหายอืก็เลยวันนั้นลองสวดดูค่ะเป็นบทมหาสติปักฐานอืม พอสวดสวดไปเนี่ยพอถึงจิตจิตจิตตานุปนะะัสสนาเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่ตัวเองสวดนะคะความรู้สึกอหนึ่งนั้นแหละใช้ได้อันนั้นไม่ใช่เป็นการหลงไปหรือคะไม่ใช่อ่ ะ, รอะเราเริ่มเห็นแล้วทั้งกายทั้งใจที่ทํางานอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่มันเป็นแว บ, บเดียวนะคะเออถ้าจงใจทํานะเราใช้ไม่ได้เวลามันเกิดมันเกิ ด, กดทีละแว บ, บนั่นแหละอ๋อค่ะมันเกิดแป๊บเดียวะคะ่ะอแล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าว เมื่อกี้นใครละสวดไม่ใช่เราเลยเออไม่มีเราสวดอ่ะแม่ชีไปดูนะแล้วแถมอีกตัวหนึ่งต่อไปมันจะเด่นขึ้นมาคือตัวมานาอัตตาค่ะตอนนี้ภาวนาดีขึ้นแล้วมันจะเริ่มโฟล์ท์แล้วไปดูนะตัวเนี้ยเบอร์หกสี่กราบน้ำมการค่ะกราบสมศัการหลวงพ่อค่ะที่ลูกฟังซีดีหลวงพ่อแล้วลูกปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ไม่ทราบว่าเป็นกิเลสไหมล่ะ เห็นไหมกิเลสเกิดได้ทั้งแต่ไม่แต่ไม่บ่อยนะคะแล้วทไมล่ะทาไมไม่บ่อยลูกยังปฏิบัติไม่ค่อยใจเป็นนิ่งอยู่หรือเปล่าถ้าเราพอนานะเราน้อมใจนิ่งๆไว้นะกิเลสไม่ค่อยโผล่มาใจมันนิ่งเกินไปหลวงพ่อถึงบอกอย่าไปเพ่งถ้าเพ่งนะกิเลสไม่โผล่ไม่แสดงใจรักแล้วมันนิ่งๆท้องยมเพ่งแรงไป อ๋อนิ่งแรงเลยค่ะนิ่งแล้วแล้วโยมดูจิตอย่างงี้ถูกไหมคะไม่ถูกนะโยมเพ่งจิตไม่ได้ดูจิตโยมเพ่งมันไปจ้องมันอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาเป็นการตามรู้นะไม่ใช่ไปรอดูของโยมเวลาภาวนาชอบไปรอดูอ๋อค่ะค่ะลองปรับดูนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาเมื่อเจ็ดหนึ่ง การธรรมจารย์ค่ะหลวงพ่อยมตามดูจิต ด, ดมก็เห็นจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันบังคับไม่ได้ค่ะแล้วก็จิตที่เห็นจิตมันดิน้นมันไม่ยอม<ป><ป>รับความจริงเล่ ะ, ะให้รู้ทันไปอย่าให้จิตมันถูกอารมณ์ครอบงาค่ะรูะ้ไปแล้วยมติดสมัคระประคองหรือเปล่าคะประคองคแต่ไม่มากหรอกค่ะ พอใช้ได้แล้วใช่ไหมคะพอใช้ได้แต่คอยรู้ทันนะอย่าให้พวกปีติพวกอะไรเงี้ยครอบงําจิตได้อะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาตอนนี้ไปกดให้นิ่งรู้สึกเปล่าตอนนี้ยมันนิ่งกว่าความจริงไม่เอาตรงนี้ไม่เอากลับมาเป็นคนสุกสนเหมือนเดิมตัวจริงสนนะเกลับมาเป็นตัวสนตรงเนี้ดีกว่ารู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกัน จิตที่ใช้ได้นะคือจิตอยาต่างตะกี้นะตกตอนนี้ก็ไม่ได้แีกละแต่นนี้นิ่งเข้าไปอีกละค่ะอปล่อยให้มันเคลื่อนไหวอย่าไปบังคับให้มันนิ่งกลับมาเป็นตัวสุกซนใหม่ค่ะเออเนี่ยเนี่ยตัวจริงอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้นะไม่ใช่ไปสร้างความนิ่งนิ่งแล้วไปติดอยู่ค่ะนึกไว้ว่าเราต้องสนเราต้องสนท่องไว้คเบอร์ร้อยสี่สิบเจ็ดขอบพระคุณค่ ะ, คค ะ, ะถ้าไรเก้าสิบเจ็ดวะเก้าสิบเจ็หรื อ, อยัง ร้อยสี่อิบเนแล้วก็เบิดเ7คนสุดท้ายกลับมาสการหลวงพ่อคะ่ะคือหนูอยากจะมาขอการบ้านหลวงพ่อค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองหลงทางไปบ้างหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเห็นกิเลสไหมเห็นบ่อยอะค่ะรู้สึกใจก็เพิ่มบ่อยถ้าอยากเห็นกิเลสเกิดมาผ่านมาผ่านไปนะไม่หลงทางหรอกถ้าไปนิ่งไปว่างอยู่สบายๆอยู่ก็หลงทาง เหมืนรู้สึกถูกอารมณ์ครอบงำบ่อยอะคะ่ะใจมันกระเพื่อมบ่อยใช้เก่งไหมใจเราวิ่งไปวิ่งมาอุตรุดเลยใจเราฟุ้งซ่านเก่งดูออกไหมค่ะใช่ค่นะเพราะงั้นใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านรู้เฉยเฉยไม่ห้ามเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกก็รู้อีกเราก็จะเห็นเลยทั้งวันจิตมีอยู่สองอย่างจิตฟุ้งซ่านกับจิตที่รู้นะสลับกันไปเรื่อยๆดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอาตรงนี้แหละเป็นเครื่องอยู่จิตฟุ้งซ่านเรารู้จิตฟุ้งซ่านเรารู้ฝึกไปค่ะ เบอร์เก้คนสุดท้ายคนอื่นเตรียมดีใจใครรู้สึกดีใจบ้างมีผู้ร้ายปากแข็งลุงพ่อครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าเหมือนจิตมันฉ่ำๆแล้วมันเหมือนมันยิ้มอะค่ะแล้วจากนั้นก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกว่ามันมันเบื่อแล้วหนูก็เลยอยากทราบว่าหนูเบื่อด้วยโทรศัพ์หรือเบื่อด้วยนิพพิธานะคะไม่ใช่นิพพิธานะจิตใจติดอารมณ์อยู่ ไอ้ที่ช่ำๆ่ำอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นจิตมันยังติดอารมณ์อยู่อ๋อมันมันคืออะไรอะค่ะปิดติอะคะหรือไม่ใช่ปิดติจิตมันติดไม่รู้จะบอกไงนะติดความช่ำๆนี่แหละแต่รู้สึกว่ามันทําไมมันมีอารมณ์ขันมากขึ้นมันคืออะไรอ่ะหลว่อดีแล้วให้มันเป็นธรรมชาติมากๆนะออย่าให้มันติดช่ำๆนิ่งๆไม่เอาขำก็ําไปเลยอ๋อค่ะไม่ประคองให้ช่ำๆ่ำไว้ไม่เอา แล้วแล้วคืออย่างหนูนี่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วปฏิบัติ ด, ดูเองได้ไหมคะหนูก็ไม่กล้ามารบกวนหลวงพ่อบ่อยมาเถอะไม่ว่านะอตอนนี้ยังจําเป็นต้องมาอยู่เพระจิตยังติดชับฉับอยู่ต้องมาอขอบพระคุณมากค่ะอะส่งมาข้าหน้าหน่อยไม้นุ่มคนสุดท้ายอ่อยังมีเวลาสนาทีไม้นุ่มและหมอเกตส่งกันบ้าน น, น้าส ก, การหลวงพ่อค่ะขอรัดคิวนิดนึง ห, นกกนหรือยอกระหลวงพ่อไม่เห็นออ้าวว่าไปหนูจะขอรบกวนหลวงพ่อว่าคือช่วงนี้หนูรู้สึกว่าติดใจมันสบายนะคะสบายนี่ติดอารมณ์ติดอารมณ์มใช่ไหมฮะไม่ใช่สบายแบบรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานใจไม่โล่งแต่ติดอารมณ์เราแก้อย่างไงคะหลอหยุดที่รู้ทันนะถ้ายังไม่รู้ทันกยังติดอยู่ถ้ารู้ทันว่าตอนนี้ก็ติดอารมณ์อันนึงอยู่มันก็หลุดออกมา พยายามสังเกตนึกถึงจิตใจสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นอนะ <Okay. S 2> จิตใจตอนนั้นไม่ได้ติดอะไรนะวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันเลยนึกออกไหมมันไม่เหมือนตอนนี้ okay. อันนี้เราไม่ได้ไปกดมันใช่ไหมเรากดมันไว้มันกดมาจนชินมันเลยอยู่อย่างนี้ oh, <okay. S 2> มันเลยนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วหนูไม่ได้ติดในรูปแบบอย่างเงี้ยต้องไปทํายังไงไหมฮะตอนนี้พยายามรู้พยายามเคลื่อนไหวใ ห, ให้เยอะๆไว้นะลืมเรื่องปฏิบัติก่อนเคลื่อนไหวให้เยอะให้จิตมันหลุดจากตรงที่ติดนี้ก่อน กระดุกระดิกไปทํางานบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรไปนะมาส่งมาข้างหน้ากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือช่วงที่ผ่านมามันทุกข์มากอะค่ะหลวงพ่อประมาณ3ามสี่วันแล้วอีกวันหนึ่งก็เดินเดินไปแล้วมันก็มันก็เห็นว่ามันก็มันก็ไม่ใช่เราอะค่ะมันก็มันก็ไม่ถูกช่วงแบบเดียวนั้นมันก็เป็นอีกคนนึงแล้วตอนนี้ก็รู้สึกใจมันสบายสบายอะค่ะ เวลภาวนานะบางทีถึงคราวที่มันพอแล้วมันหลุดออกมาเองนะมันเปลี่ยนไปเลยแต่นานๆกลับไปติดได้อีกอย่าไปกังวลเลยดูไปมันก็มีเรื่องมีแรงไว้นะค่ะอย่าถอยนะคือตอนนั้นที่หลวงพ่อสอนให้พูดอะค่ะใจก็จําหลวงพ่อไปพูดแล้ววันนึงมันก็เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันมันรู้สึกมันไหลสาละมากค่ะแต่มันก็ยังไปไปมาค่ะดูไปนะเอาตัวให้รอดไหม แต่ละ <พอ S 1> คนะมีกรรมเป็นของตัวเองทุกคนที่มาเจอสถานการณ์ต่างๆเนี่ยกรรมส่งผลมากรรมเก่าส่งผลให้เราเจอปรากฏการณ์อย่างนี้ทุกคนอะแต่ว่าพอเจอปรากฏการณ์อย่างเนี้ยทุกคนทํากรรมใหม่ของตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นทําให้เพราะฉะนั้นเราทํากรรมใหม่ของเราเองกรรมเก่าส่งผลมานะทําให้ต้องเกิดสถานการณ์อย่างนี้แต่ในสถานการณ์อย่างเนี้ย แต่และคนตัดสินใจไม่เหมือนกันบางคนตัดสินใจผิดบางคนตัดสินใจถูกกรรมของเขาเองนะกรรมของเขาเองไม่ใช่เราไปทำให้ใครเข า, าตัดสินใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดะงลั้นะเราไม่ต้องไปรับผิดชอบชีวิตใครหรอกรับผิดชอบชีวิตตัวเองก็แย่อยู่แล้วจ <c oughs> เจ้าค่ะอ้าวหมอเกตคนสุดท้ายขอบคุณนะ้คะหลวงพ่อวันนี้มันก็ม<อ>ีประคองน<อ>ิดๆนะคะหลวงพ่อ ม, มีโมหานนิดหน่อยนะค่ะปล่อยมันให้ได้สิใจใจมันไม่มีแรงใจมันฟุ้งซ่านอะไรไปกดมันไว้นะรู้เล่นๆไปขอบคุณค่ะอา้าวเชิญกลับบ้าน